ดิเรกการเบียดเบียนสัตว์เนี่ยเบียดเบียนยังไงก็คือเบียดเบียนโดยการเข้าไปว่าร้ายการเข้าไปกล่าวร้ายเป็นต้นเนี่ยนะคับก็เลยบอกว่าอนุปวาโทอนุปคาโตเนี่ยนะบอกว่าการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําร้ายความสํารวมในพระปาติโมก ค, ความเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารที่นอนที่นั่งอันสงัดความประพฤติโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นี่นะแล้วก็การไม่กล่าวร้ายอันนี้ก็หมายถึงศีลทางทางวาจาเนี่ยนะศีลทางวาจาต้องเยี่ยมการไม่ทำร้ายอันนี้เป็นศีลทางกายนี่นะความสำรวมในพระปาติโมกเนี่ยนะอันนี้หมายถึงปาติโม ก, กับอินทร์สังวรเนี่ยนะว่า สรัรวมตัวนั้นนะ่ะหมายถึงอินทรีย์สังวรปารติโมเค okay. จะสังวโรสังวรตัวนั้นเป็นชื่อของอินทรีย์สังวรกับคําว่าปาติโมกครั้งก่อนเคยบอกว่าปาติโมกแปลว่าเอา่อเป็นเป็นการพ้นอย่างยิ่งหรือการพ้นอย่างทั่วพ้นอย่างวิเศษถามว่าพ้นพ้นพ้นจากอะไรบอกว่าพ้นจากอบายแล้วก็ปาติโมกอีกความหมายหนึ่งแปลว่ารักษาคือรักษาสุขคติเอาไว้นั่นเองเนี่ยนะ พ้นอบายรักษาสุขติหรือพูดสํารวงง่ายๆว่าปิดอบายรักษาสุขตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาปาฏิโมกก็ทําให้พ้นสุขตินะเออขอที่พ้นทุกคติอนะขออภัยนะรักษาปาฏิโมกดีทําให้พ้นทุกคติไ ม, คไม่เดี๋ยวเขาลบออก <laughs> คำว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเนี่ยนี่คำว่าอันนี้หมายถึงปัจใจสี่นะครับคว่าโภชนะอันนี้เน้นที่ปัจใจสี่คือรู้ประมาณในการแสวงหารู้ประมาณในการรับรู้ประมาณในการบริโภครู้ประมาณในการสละนั่นแหละแล้วก็เน้นที่เสร็จหนึ่งคือสถานที่วิเวกเนี่ยนะที่นั่งที่นอนอันสงัดเนี่ยนะอันนี้เน้นเลยในโอวาตปาธิโมกเลยนะปันตัจจะศยนาสนังที่นั่งในฐานที่นั่งที่นอนที่มันสปายะนะ ก็ ค, คือสันเสริญที่หลีกเร้นมากสันเสริญการหลีกเรนนั่นเองและก็ประกอบว่าไปหลีกเร้นไปทำอะไรก็อธิจิตเตจะอายโยโคประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตนนะคือไปเจริญสมาบัตแปดนั่นเองเน น, นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าทั้งหลา ย, ยาแต่ชั้นแรกนี่จะพูดถึงอะไรนะไตรสิกขา เนีนะซึ่งประกอบไปด้วยการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชําระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้เป็นไตรสิกขาแล้วใช่ไหมแล้วก็สรรเสริญว่าข้อปฏิบัติอันนี้ต้องมีขันตินะเนนะขันติประมังตโปตีติขาขันติเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่จะรักษาต่อไปได้ที่เจริญทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเพื่ออะไรก็นิพานังประมังวัฏฐนติพุทธาก็คือเพื่อแทงตลอดพระ น, นิพานนั่นเอง ทีนี้ก็บอกถึงว่าบอกถึงลักษณะของผู้ที่ไม่ใช่บรรปะชิตไม่ใช่สมณะว่าผู้ที่ไม่ใช่บรรปะชิตสมณะก็คือเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นเนี่ยนะก็คําว่าเบียดเบียนทําร้ายก็ด้วยกายวาจาใจาานั่นแหละมันก็ไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจนั่นแหละเสร็จแล้วก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติว่าจะต้องสํารวมทางกายสํารวมทาง ว่าจะปาติโมกสังวรอันนี้ก็เท่ากับประกาศว่าจะตุปปริสุท ธ, ธิ์ศีลนั่นเองนะอย่างคําว่าปันตันเอ่อมตัญยุตาจะาพัตตส밍เนี่ยนะก็บอกว่าเป็นศัพท์ที่บอกถึงปัจจะยสานิสิตสิตนก็คือพิจารณาปัจจัยสิอันโดยสรุปที่กล่าวไปนั้นก็คืออานะการไม่ว่าเอ่อการไม่ว่าร้ายการไม่ทําร้ายสํารวมในพระปาติโมก การรู้จักประมาณในโภชนะอันนี้ก็เท่ากับบอกว่าปัจจยะจะตุปาริสุทิศินทีนี้เมื่อมีจะตุปาริสุทิศินดีอย่างนี้แล้ว่ที่ไหนที่สมควรแก่การปฏิบัติบอกที่หลีกเล่นนะทีนี้เมื่อไปหลีกเล่นอยู่ไปทําอะไรไปประกอบอธิจิตเนี่ยนะไปประกอบอธิจิตอันนี้แหละเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งประโยคก่อนหน้านี้เน้นเน้นบอกปัญญาไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็หลังก็บอกสิขาสาม ดั น, นั้นในโอวาตปาติโมกทั้งหมดเนี่ยก็คือประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามไตรสิกขาเนี่ยนะเนี่ยนะว่าชี้ชัดว่าเนี่ยคือคําสอนนะต้องอยู่ในหลักของไตรสิกขาดงั้นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคําว่าไตรสิกขาประชุมกันเรือศัพท์เดียวว่ามักใช่ไหมมักพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเนี่ยนะ มักอันเนี้ยยังไม่เกิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดขึ้นสาวกทั้งหลายเป็นผู้เดินตามมักอันนี้ก็เป็นเนื้อหาใจความของโอวาทปาติโมกและก็ในโอวาทปาติโมกในสมัยพุทธากาลเนี่ยนะผู้ฟังเนี่ยเป็นพระอรหันต์คงเห็นพระรัตน์ตรายชัดขึ้นนะว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยคือหลัก ข้อปฏิบัติในาศาสนานี้ซึ่งอันนี้เป็นธรรมคุณเนี่ยนะธรรมคุณเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้จะทำให้เขาพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะหรือเพราะว่ามักเนี่ยมีชื่อว่านิยานิกระทใช่มเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์เป็นธรรมะที่เหตุตัดโทนะก็คือธรรมะที่เป็นเหตุเหตุเพื่อความพ้นทุกข์อีกนั่นแหละเนี่ยนะเป็นอะไร อะไรเนะนี่ยทัศนโถเป็นสภาพที่เห็นพระนิพพานแล้วก็เป็นอีกสับสุดท้ายก็คืออธิปไตยโถเป็นใหญ่คําว่าใหญ่นี่คือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมะนะคุณธรรมประกอบเพราะว่าในขณะมรรคเกิดเนี่ยประกอบไปด้วยสัตว์บนะสติประธานสี่สัมมารประธานสอิทิบาสีอินทรี่ห้าพละหโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดซึ่งเป็นอริยทรัพย์แล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆก็เลยเรียกว่าอธิปไตยโธนี่ยนะแล้วก็ มักเนี่ยแต่ว่าทั่วๆไปจะนิยมเอาคําว่านิยานิกะเนี่ยเอามามาชูโรงว่าเป็นตัวที่นําออกจากกองทุกเนีนะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นทั้งทัศนทโถเป็นเหตัดโถแล้วก็เป็นอธิปไตยัโธคือเป็นใหญ่เนี่ยนะเป็นใหญ่ด้วยคุณธรรมสูงๆเขาบอกว่าเหมือนกับตระกูลที่มีโภค่ามากเนี่ยนะผู้ที่ที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะเหมือนตระกูลที่มีโภค่ามากซึ่งต่างจากทุกขสัตทุกขสัตนี่กันดารเหมือนคนยากเลยเนี่ยนะ จริงทุกษัตว์นี่ยากไร้จริงๆ น, นะอริยทรัพย์นี่หาอะไรได้บ้างเอ้าทั่วๆไปนะหายากเต็มทีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าบรรลุอริยมรรคนี่ไม่ใช่คนจนนะใช่ไหมก็พอถ้ายิ่งบรรลุมรรคแรกเลยนะคือโสดาปติมรรคเนี่ยถ้าไปเมืองราชเครือ ก, ก็ต้องไม่ลืมถึงสุ ป, ปะผู้ทักกุฏินะคนโรคเรื้อนนะเขาเขาเข า, เขาหิวมากเลยนะเขาเห็นประชุมคนเนี่ยเติมไปหมดเลยเขาหิวาสงสัยเขามีกินกันมั้ง เผอเขาจะให้ทานเราบ้างก็เลยแกก็เดินไปก็ เ, เดินไปอ้าวเขาไม่ได้ให้ทานนี่เขาฟังทำเอ้เราก็ฟังสักหน่อยก็บอกว่าบุญเก่ามันตักเตือนให้อยากฟังทำอันนัอุปนิสัยเดิมอ่ะเป็นไอ้ที่เป็นโรคเรือนก็อดีตชาติไปด่าพระปเจกเอาไว้เนี่ยนะนี่ก็ปากอีกเหมือนกันเนี่ยโรคของปากอ่ะ น, นะเสร็จแล้วก็ท่านก็ไออุปนิสัยในส่วนบุญที่ทําไว้นะก็อยากฟังเอ้เขาเข า, เขาสอนอะไรกัน พระพุทเจ้า น, นี้ตรวจดูอุปนิสัยของบริษัทอ้าวสุ ป, ปะผู้ท้ากุฏิมีอุปนิสัยโสดาปฏิพันธ์พองก็เลยแสดงอนุ ป, ปุปภิกถ า, าให้ฟังพอฟังจบแกก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันทีนี้ไอ้คนเต้ไปหมดแกเป็นคนโรคเรื้อนนะแกไม่กล้าเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าแกอายเขา้าอ่ะค่ะว่าบริษัทนั้นมีกษัตริย์มีคนยิ่งใหญ่กันในเมืองทั้งนั้นเลยนะแกเป็นก็บอกว่าจนที่สุดในเมืองอะ่ะไม่มีใครจนกว่านี้อีกแล้ว ร้องเขาไม่มีใครนับถือแก่ว่าเป็นญาตินะที่ชื่อว่าสุ ป, ปะพุทธกุติแต่ว่านอนละแวกไหนคนละแวกนั้นไม่ต้องหลับลกันหเพราะแกจะครวนครางกันทั้งคืน น, นะคือยุงมันกัดก็แผลมันเต็มตัวไปหมดอ่ะแผลมันเต็มตัวแมลงก็ตอมไม่หมดอ่ะนะนั้นก็เลยเรียกว่าสุ ป, ปะุทธกุติเนี่ยนะเป็นคนโรคเรื้อนด้วยนะสุ ป, ปะพุทธาแปลว่าอยู่ที่ไหนคนตื่นหมดอ่ะเพราะเสียงแกครางทั้งคืน นี่พอบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปที่วัดเวลุวันเนี่ยแกก็จะตามไปเพื่อจะไปกล่าวคํำถึงไกลสารณคมมันนะไอ้ระหว่างทางเนี่ยท้าสกาก็มาลองดูว่าเอ๊ะมันยังไงว่ามั่นคงในพระศาสนาแค่ไหนก็บอกว่านี่สุปาพุทธะแกพูดคำหนึ่งนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์บอกกันถ้าแกพูดคํานี้นะฉันจะให้สมบัติแกเพราะแกเป็นคนยาก เนี่ยนะสุ ป, ปาพุทธาก็ถามว่าเป็นใครก็บอกว่าเป็นเท้าสักกะบอกว่าออไปเลยคนพานงันมาว่าข้าพเจ้าจนได้ยังไงะนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นนะยิ่งศรัทธาที่เป็นระดับมัชเนะสศทินรียที่เป็นระดับมัชเนี่ยไม่ใช่คนยากไร้อะ นะเอว่าเป็นคนไม่ยากไร้ในาศาสนาเนี่ยนะผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธามีศีลมีฮิริโอตปะสมบูรณ์ด้วยสุตะเนี่ยนะมีจาคะมีปัญญาแบบนี้ไม่ใช่คนยากเลยเนีย่ยนะเสร็จแล้วแกก็ไปกล่าวคำถึงไตรสรณคมต่อพระพุทธเจ้าพอหลีกออกจากวัดสักพักหนึ่งก็ตา ย, ยานะตายก็คือวัวเนี่ยขดตายก็ปฏิสนธิเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่มากในดาวดึงเลยทันที เนี่ยนะเรียกว่าคนอื่นๆเนี่ยต้องหลบทางให้หมดอ่ะแกเป็นเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเทพบุตรก่อนก่อๆก็โดยมากเขาไม่ใช่เทพบุตรอริยนะฮะแกเป็นอริยนี่แกยิ่งใหญ่กว่ามากนะปกติแล้วถ้าเป็นท่าอริยแบบนั้นนะ แ, แม้แต่เท้าสักกะยังยังต้องหลบด้วยรัศมีเนี่ยนะแพ้ด้วยรัศมีเป็นต้นเนี่ยนะบุญมันต่างกันมากฉะนั้นคําว่าโสดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอธิปไตยจริงๆตั้งแต่มระดับโสดาปฏิมักเนี่ยยิ่งใหญ่มาก บอกว่าเพราะปิดอบายได้ทั้งหมดในอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เป็นชีวิตที่ไม่อาภัพไม่ยากไร้ต่อไปอีกแล้วเนี่ยขั้นข้อปฏิบัติในพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติที่หนึ่งชั้นต้นเลยนําออกจากทุกจริงนะีข้อสองเป็นเหตุเพื่อความพ้นทุก์ได้จริงข้อสเนี่ยเห็นพระนิพพานได้จริงข้อสี่ก็คือทําให้ยิ่งใหญ่ได้จริงเนีย่ยนะ ท่านก็ผู้ที่เจริญงอกงามในศาสนามากๆจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอาภัพเลยเนีย่ยนะถ้าถ้าเจริญและปฏิบัติตามตามคําสอนนี้จริงๆนะจะไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจว่าแหมเกิดมาทําไมมันอาภัพจังเังไงจะไม่มีเลยเด็กค่ะเนี่ยนะนะถามว่าทําไมเพราะว่าคุณเหล่านั้นเนี่ยคุณธรรมโดยเฉพาะอาธิศีและศิขาเป็นต้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากทําให้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอาภัพเลยเนี่ยนะ อันนี้ก็พูดถึงโอวาสปาติโมกันนะว่าหมอมาลบใส่จะเวียนเทียนหรื อ, อดนอนทั้งคืนทั้งวันนี้ทําพุทธบูชาอยู่อินเดียนี่ยนะแล้วโครงการเขาไม่นอนวันนี้ไม่รู้ได้กี่ยามก็ไม่ทราบเปลี่ยนสักสองยามนี่ก็หมอเขาไม่ค่อยปีนปัญหาอยู่แล้วหลับที่ไหนก็ได้แล้วก็วัน เวียนเทียนก็นะตรงถ้าท่านนึกถึงที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกันนะในใ น, ในวัดเวฬุวันเนี่ยจะมีบอ่อน้ําไม่รู้ทิศไหนของบอ่อน้ํากันบ่ น, นะที่มีพระพุทธรูปเล็กๆะที่เขาวาดแล้วก็ไปเดินล้อมกันเนี่ยนะทุ่งหญ้า ต, ตรงนั้นน่ะตรงนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกนั่นนะใกล้ๆใกล้สระน้ํา ก็ตรงตรงที่ที่ที่เขาบรรจุวไว้ตรงนั้นนะวัรัศมีแถวนั้นแต่ไม่ใช่ในตัวสระน้ำนะอีโคลฟาฟากกับสระน้ําแต่ว่าอยู่ใกล้สระน้ําแต่พระคันธตคุตีเนี่ยเข้าไปจะอยู่ซ้ายมืออยู่ที่ที่ตรงอิสลามไปฝังศพไปตรงพระคันธกุตีแถวนั้น มันก็คงพอจะสรุปข้อปฏิบัติในพระศาสนาของเราได้นะว่าถ้าเราจะเจริญหรือจะบําเพ็ญคุณธรรมใดก็ตามนีนะก็บอกว่าอยู่ในหลักเนี่ยสัพปาปะสะการนังถ้าเราปฏิบัตินะอาคุศลมันลดลงไปไหมอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งเลยนะที่ที่เราจะเจริญหรือจะปฏิบัติในพระศาสนานี้ข้อแรกนะสัพปะปะสะการนังอาคุศลเนี่ยมันไม่ทําเลยอะ่ะมันลดบาปลดอกุศลได้ ก, กุศลสูปราสัมปทากุศลเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนี้จึงจะถูกแล้วก็สภาพจิตเนี่ยมันมันเหมือนกับมาสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นอ่นนะนะอันนี้จึงจะใช่แต่ถ้าไม่เป็นไปตามหลักอันนี้แล้วก็ต้องทบทวนนะสิ่งที่เราทำเนี่ยนะนะสิ่งที่เราปฏิบัติก็ต้องทบทวนว่าทําไมบาปมันไม่ลดเลยทําไมกุศลไม่เพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะเนะพราะอะไรเนี่ยนะนะอันนี้ก็ต้องมาตั้งโจทย์เนี่ยนะ อันนี้เป็นพูดถึงข้อปฏิบัตินะนะตัวตัวที่เป็นตัวคุณธรรมเลยซึ่งประกอบไปด้วยอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาทีนี้อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยเป็นนามธรรมเมื่อเป็นนามธรรมเนี่ยถ้าถ้าเป็นศีลในชั้นล่างๆนะถามว่ายานะสัมปยุทธ์ก็มีปัญญาประกอบนะอธิจิตก็มีปัญญาประกอบถ้าถ้าเป็นชั้นล่างเลยนะถามว่าตรงเนี้ยมันแตกต่างกันที่ไหน อธิศิลศิขาซึ่งตัวตัวศีลจริงๆก็คืออะไรเจตนาศีล เจตสิกศีล ส, สังวรศีลอวีติกมะศีลเนี่ยนะทั้งทั้งหมดเนี่ยยานะสัมปยุตศหมดเลยประกอบด้วยปัญญาทั้งนั้นเนี่ยนะที่ ท, ที่ที่กล่าวเนี่ยนะแม้กระทั่งอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะซึ่งอธิจิตตสิกขาหมายถึงอุปจาระสมาธิ กับอัปปนาสมาธิเนี่ยนะพวกนี้ก็ยานสัมประยุทธ์อีกเหมือนกันมีปัญญาประกอบส่วนอธิปัญญาศิกขาอันนี้ก็เป็นปัญญาโดย<ม>โดยตรงอยู่แล้วซึ่งในขณะเดียวกันก็มีสมาธิประกอบเหมือนกันเนี่ยนะทีนี้ถามว่าในสิ่งเหล่านี้ต่างกันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็ พยายามนึกให้ออกนะว่าที่เรียกเราเรียกกันว่าคนเนี่ยในบุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการงดเว้นใช่เป็นที่ตั้งแห่งเจตนาที่จะเว้นไม่ทำชั่วในขณะเดียวกันก็ตั้งใจปฏิบัติในแง่ของความดีส่วนเจตสิกเจตสิกศีลก็เป็นแบ่งเป็นสองาไหตัววีรตีกับกุศลมูล นะอันนี้ก็เป็นสองใช่เว้นกับปฏิบัติส่วนสังวรก็เป็นสังวรหวะไม่ล่วงละเมิดก็คือรักษากุศลนั่นเองอนะตั ว, ต, วตัวกุส น, นะรำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับวัตถุใดๆแล้วไม่ล่วงละเมิดให้อากุศลมันเกิดขึ้นอันนั้นเป็นศีลสิกขาทีนี้โดยเฉพาะกุศ ล, ลมูลเนี่ยนะเน้นเฉพาะพิเศษคืออาณพิชา อันาพิชาอัพยาปาทะเนี่ยมาเจริญยังไงให้มันมากขึ้นอันนั้นเน่เป็นอธิจิตตศิขาคือมาให้มันบริบูรณ์นะนมาให้มันมอกพูนเพรา ะ, ะนั้นตัวสมถะก็คือเนี่ยเน้นอันาพิชากับอัพยาปาทะนั่นเองทีนี้ทํายังไงจะพอพูนกุศลมูลคือสัมมาทิฏฐิให้มันมากขึ้นอ น, น, นมามาเจริญตัวนั้นตรงๆเลยอันนี้เป็นอธิปัญญาศิขา เป็นการเจริญตัวปัญญาศิกขานั่นเองเพราะนั้นพื้นฐานในในจิตศีลทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวที่ห้ามบาปเนี่ยนะเมื่อกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อไม่บาปจะได้ไม่เกิดขึ้นเว้นบาปไม่ทําบาปในขณะเดียวกันเนี่ยเว้นบาปอย่างเดียวไม่พอต้องมาบําเพ็ญบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทีนี้บุญเหล่านั้นที่บําเพ็ญแล้วก็ต้องเอามามาวินิจฉัยมาไข้ครวนทั้งหมดเลย <c oughs> อยู่ที่การปรารบนะว่ามันจะเป็นอธิศีลสิศึกษาที่จิตศิกษาหรืออธิปัญญาศิกษาโดยที่มีวัตถุที่เราเรียกกันว่ายกตัวอย่างว่าคนเนี่ยเป็นเป็นอารมณ์แล้วแต่จะมองในมุมศีลมองในมุมสมถะหรือมองในมุมของวิปัสสนาแต่ว่าทั้งศีลสมาธิวิปัสสนาเนี่ยต้องประชุมกันจึงกับตรัสรู้ธรรมถ้าไม่ประชุมไม่ตรัสรู้เห็นไหมในชั้นแรก อย่างที่กล่าวว่ารักษาศีลเพื่อห้ามบาปไม่ให้อกุศลเกิดศีลเป็นฐานให้เกิดสมาธินี่นะหรือศีลเนี่ยเป็นฐานให้เกิดมิปั ส, สนาหรือเป็นฐานให้เกิดปัญญาเนี่ยแต่พอสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นสมาธิกับปัญญาจะเป็นตัวรักษาศีลถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่สมาธิดีดเนี่ยนะเขาจะไม่ละเมิดศีลง่ายๆ เพราะฉะนั้นทำให้สมาธิที่เขามั่นคงเนี่ยจะเป็นตัวไปรักษาศีลอย่างหนึ่งผู้ที่มีปัญญามากก็รักษาศีนดียิ่งขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะ อ, อบรมควบคู่กันไปอันนี้ในแง่ของภาเวตปรธรรมนะซึ่งจะอธิบายละเอียดอีกครั้งเมื่อเรียนพชงเนี่ยนะแต่ของเราตอนนี้เน้นเนีนเน่ยเอาที่เรียกว่าคนสัสตว์เนี่ยมาจำน ว, นวนว่ามาซอยมาผ่าโดยมาสับจนให้มันเหลือเป็นผงให้ได้ นะซึ่งก็เรียกว่าเน้นเรียนปริญยยธรรมกับปะหาแต่ปะธรรมในช่วงนี้นะในเจตนาศีนี้นะครับที่ที่แ บ, บ่งเป็นสองคือคือที่เป็นวิรัตน์นะฮนะ กับจารีนะฮะตัวนี้ก็แบกเว้นเป็นวาเรตสินกับจารีตสิ น, ส น, นอันนีน้อันนี้ชัดเจนว่าถ้าไม่เว้นผิดศีนถ้ามาปฏิบัติผิดศีนถ้าไม่ไม่เว้นกับไม่ปฏิบัติผิดสินะตัวนี้พอไล่ถึงมาถึงตัวเจตสิกนะตัวเจตสิกนี้เนี่ย <c oughs> เช่นสัมมาวาจานี่นะ สัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะนี่นะครับถ้าไม่ปฏิบัติก็ก็ก็ก็ผิดศีลคือไม่ปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้ไม่ได้ครับคือไม่เป็นเครื่องรองรับรองรับกุศลธร ร, รมชั้นสูงไม่ได้ถ้าถ้าไม่เจริญพวกนี้น ะ, ะแต่จริงๆก็ถ้าถามว่าวีรรตีศีลซึ่งสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะ ในสองส่วนเนี่ยนะโดยเฉพาะวีรตีแล้วแต่จะยกบางทีก็ยกเจตนาขึ้นเป็นประธานบางทีก็ยกวีรตีเป็นประธานเท่านั้นเองเนี่ยนะจริงๆก็สัมปยุตตะปัจจัยเนี่ยนะเกิดร่วมกันแต่ก็ดูดูสูงกว่าเจตนาศีลเพราะว่าเรื่องวีรตีเนี่ยหมายความว่าอ น, นุนเว้นวาจาชั่วสมมติวาจานะฮะส่วนอันล่างเนี่ยหมายว่าพูดวาจาดีคือใช้ใช้สัมมาวาจาที่เรียกว่าเช่น มาพูดเป็นวาจาสุภาษิตใช่ไหมอันนี้ก็สูงขึ้นมานิดนึงนะวาจาสุภาษิตเห็นไหมหรือกา ร, <ๆ> ก, ารการประกอบอาชีพที่ที่ดีเป็นต้นเนี่ยนอะอันนี้เนี่ยนะฮ ะ, ะถ้าสมมุติว่าถ้าวาจาไม่สุภาษิตเนี่ยผิดสินไหมถ้าวาจาไม่สุภาษิตเนี่ยนะก็เนี่ยเข้าอันนี้ก็เข้าอันนู้นใช่ไหมฮะแต่เข้าวา่าเพราะไม่เว้นไงก็ผิดสิน ตอนนี้พอมาสังวรนี่นะฮะมาสังวรสําหรับคาราวาสเนี่ยภาพภาพระภิกษุเนี่ยถ้าไม่สังวรเนี่ยตามปาติโมกให้สังวรอย่างนั้นอนันนี่นะอันนี้ผิดอยู่แล้วเจนพานแต่พอมาคาราวาสนี่นะฮะผิดไหมสมมติเราสติสังวรเราพูดถึงสติสังวรก่อนนะฮสติสังวรเนี่ยสังวรขั้นแรกเลยคือคือสังวรด้วยการอารักขาคือสติเนี่ยถ้าหากว่า ไม่สังวรเช่สิ่งที่ไม่ควรดูไปดูเนี่ยถือว่าผิดศีลไหมครับเกอรก็ผิดในแง่นี้ถามว่า อ, อผิดศีลไหมก็ผิดในแง่นี้ไงผิดในแง่ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยรองรับคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้นะสังเกตดูถ้าจะมาเจริญที่เรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันเจริญไม่ได้เนี่ยไง เพือไปดูอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะสมมตินะเช่นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสังวรเนี่ยเพราะไปมีโทสะเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงมาเนี่ยนะ ม, มัยจะมาเจริญเมตตามก็เจริญไม่ได้จะพิจารณาขนาันยตนาธาตก็ก็กยากล่วเพราะรองรับคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้นี่นะแต่ทีนี้ถามว่ามีโทษไหมมีโทษก็อย่าจุติช่วงนั้นก็แล้วกันเพราะถ้าจุตินี่ก็ก็แจ้งเลยอ่ะนะ เพราะว่ากรรมบทที่เคยล่วงไหมในอดีตเนี่ยนะดวงที่เจ็ดของชาตินี้ก็ไม่ใช่น้อยสองถึงหถอยหลังเป็นแสนโกรธกลับก็ไม่ได้ละเว้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นท่าจุติตรงนั้นชื่อว่าหลงธทำกาลกิริยาในระหว่างที่ไม่มีอินทรีย์สังวรเป็นต้นช่วงนั้นนะเรียกว่าหลงทำกาละก็มีโทษในแง่นี้แง่นี้อย่างหนึ่งกลับเนี่ยแง่นี้ก็คือไม่สามารถรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้ แล้วก็ที่สําคัญมากอย่างหนึ่งถ้าผู้มีฮิริมากเดี๋ยวก็ติเตียนตัวเองผู้มีโอตะปะมากก็คือเอ๊ะนึกคนอื่นเขาจะติเตียนเราหรือเปล่ า, านะครันก็พวกที่เจริญพิจรารณาแง่มุมในในขั้นสูงเนี่ยโดยเฉพาะในแง่อุปทาระนางเนี่ยเขาจะเห็นชัดว่ามันพ่องมันรองรับคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้ผู้ที่จะเจริญสมถะเนี่ยนะโดยพื้นฐานแล้วคุณธรรมที่จะทําให้มีสมถะคือ สมถะเท่ากับสมาธิใช่ไหมสมาธินั้นมีสุกเป็นเหตุใกล้สุกมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปสัสจัตติปัจจัทติมี ป, ปิติเป็นเหตุใกล้ปิติมีปราโมทเป็นเหตุใกล้ปราโมทมีอวิปปิสารทีนี้ถ้าอันนี้ไม่ดีมันยังไงก็ต้องวิปปิสารอยู่แล้ว เมื่อวิปฏติสารมันก็มาเจริญคุณธรรมชั้นเหล่านี้ไม่ได้ผู้ที่จะแยกได้คือไปเจริญกุศลศีลให้ดีจนถึงระดับเนียได้สุขแล้วมาเจริญนะและมันจะแยกเห็นชัดเองเนีนะเอางี้นะเาบอกว่าเหมือนอุปมาเหมือนกับสวดมนต์นะสวดมนต์แบบคนเร่งรีบกับสวดมนต์แบบคนมีความสุขในการสวดมนต์เนี่ยเหมือนกัน ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่านพระไตรปิฎกแบบเรียบอ่านให้มันจบกับอ่านแบบแหม่สบายใจลึกซึ้งมากมแต่ละบทดีเหลือเกินเนี่ยก็แตกต่างกันมากแล้วที่ที่มันเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากกุศลศีลเนี่ยไม่ดีนั้นกุศลศีลเหล่านี้จะนํามาซึ่ง น, น, นะนะตัวกุศลศีลเนี่ยจะนำมาซึ่งอุปทาระนังนะรองรับคุณธรรมชั้นสูงๆต่อไป วันนี้เป็นวันมาค่าบูชาแล้วนะเดี๋ยวก็แสดงเรื่องอายตนะให้สัมพันธ์กับเรื่องไตรสิกขาอีกนิดนึงนนะเอาทวารไหนดีทวารกายนะเมื่อวานเนี่ยพวกการยกตัวอย่างมาดีถ้าไม่มีกายในนรกมันจะร้อนหรื อ, อยางงนีนะ่มันชัดเนี่ย